เดี๋ยววันนี้ช่วง3โมงถึง4โมงจะเป็นช่วงถามตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีชาวต่างชาติที่ส่งคำถามเข้ามาผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางสื่อต่างๆก็ได้รวบรวมคำถามไว้เดือนหนึ่งก็จะมาถามมาตอบกันสักครั้งหนึ่ง ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยแบ่งเวลาสําหรับวันนี้ไว้ในช่วงสามโมงถึงสี่โมงดังนั้นถ้าใครอยากจะมีคำถามอยากจะถามก็ต้องถามในช่วงแรกนี้คือช่วงสองถึงสามโมงถ้ายังไม่มีคำถามก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อน แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะหยุดแล้วก็ให้เอาคำถามเข้ามามีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะตอบโดยที่ไม่ต้องมีคำถามคำตอบของพวกเราก็คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราไม่รู้ว่า พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราใจนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรจะให้ความสุขเท่ากับใจให้ความสุข ความสุขจากใจนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดและในทางตรงกันข้ามความทุกข์ของใจก็เป็นความทุกข์ที่หนักที่สุดที่ทุกข์ที่สุดก็คือความทุกข์ทางใจดังนั้นเราต้องมาดูแลใจของเรามาศึกษาใจของเรา ให้รู้ว่าอะไรทำให้ใจของเราสุขอะไรทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้แล้วเราจะทาตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคือเราจะทำความทุกข์ให้กับใจเพราะเราคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับใจกันนี่เรียกว่าความหลง ความหลงที่คิดว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้เกิดความสุขทางใจแต่ผลมันกลับทำให้เกิดความทุกข์ตามใจทางใจขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปทำสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขกัน แต่ทำไปแล้วทำไมเราจรึงต้องไปเจอความทุกข์กันก็เพราะว่าวิธีการหาความสุขของพวกเรานั้นมันไม่ได้เป็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความสุขที่มีความทุกข์คอยตามมาอยู่เรื่อยๆนั่นเอ ง, เอ ง, เองความสุขต่างๆที่พวกเราหากัน ก็คือการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆสิ่งที่เราสิ่งที่ร่างกายหาความสุขให้กับเราก็คือหาลาบยศสนเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราได้สัมผัสได้รับรู้ได้ครอบครอง พอเราได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราแต่เราไม่ได้มองไปว่าหลังจากที่เราได้มาแล้วนั้นความสุขนั้นจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่จะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหาได้จากลาบยศสารเสรญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภั์มักจะจางหายไปหลังจากที่เราได้มาไม่นานแล้วเวลาที่เราสูญเสียความสุขจากสิ่งต่างๆไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ เวลาเราสูญเสียของที่เราลักไปเวลาสูญเสียบุคคลที่เราลักไปเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราลักไปความรู้สึกไม่สบายใจความทุกข์ใจก็ตามมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากการที่เราไปหาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกซ่อนอยู่เวลาได้มาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจกันแต่พอเราได้มาแล้วไม่นานสิ่งที่เราได้มาก็จะเริ่มสร้างความไม่สบายใจให้กับเราเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเราจะรู้ว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่พอได้สิ่งที่เราลักเราชอบมาเราก็มักจะหวงมักจะหหวงแล้วก็มักจะเสียดายเสียใจเวลาที่สิ่งที่เราลักเราชอบนั้นจากเราไป นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขอย่างเดียวหรือจะมีความทุกข์ตามมาเป็นสิ่งที่เราสามารถรักษาเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดหรือไม่ นี่คือสิ่งที่เรามักจะไม่ศึกษากันไม่ดูกันไม่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาหรือไม่เนี่ยถ้าเราลองถามดูสักหน่อยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยนี่คือเรื่องของพวกเราที่ขาดปัญญา ขาดสัมมาทิฏฐิขาดความเห็นที่ถูกต้องไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราหากันมาให้ความสุขกับเรานี่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับ มีการมามีการไปเวลาไปก็ทำให้เราทุกข์กันเวลาเสื่อมก็ทำให้เราทุกข์กันเวลาดับก็ทำให้เราทุกข์กันแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เขาอยู่กับเรา สั่งให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาได้นั่นเองลองพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบ้างไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนไปมีการสิ้นสุดลงเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันไปบางสิ่งบางอย่าง ก็เปลี่ยนช้าเสื่อมช้าบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วเสื่อมเร็วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งนั้นคือมีใจรักเป็นคุณสมบัติมีอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นคุณสมบัติถ้าเราศึกษากันอย่างจริงๆจริ ง, จ, รงจังคอยสังเกตดูคอยพิจารณาดู จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการเสื่อมมีการหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนเดิมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้อีกห้าวันอีกสิบวันข้างหน้านี้มันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาของบางอย่างก็เสื่อมเร็วบางอย่างก็เสื่อมช้าเช่นพวกอาหารนี่เสื่อมเร็ว เก็บไว้ได้วันเดียวก็อาจจะบูดจะเน่าแล้วของบางอย่างก็เก็บได้นานหน่อยเช่นพวกยายานี้ก็ใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเสื่อมยาก็มีใบกำกับยาเขียนบอกไว้ว่าต้องใช้ก่อนวันที่นั้นวันที่นี้ก็เพราะว่าคุณภาพของมันเสื่อมลงนับตั้งแต่วันที่ออกมาจากโรงงาน มันมีคุณภาพเต็มร้อยแต่พอทิ้งเอาไว้เวลาผ่านไปคุณภาพของมันก็จะด้อยลงไปด้อยลงไปพอถึงวันหมดอายุนี้ก็แสดงว่าคุณภาพหมดแล้วถ้ากินก็ไม่ได้รับประโยชน์อาจจะได้รับโทษเพราะมันเสื่อม น, นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้เสื่อมหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็เสื่อมเราใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเราต้องมีร่างกายเราถึงจะไปหาข้าวของเงินทองต่างๆมาใช้มาดูมาฟังมาเล่นมาทำอะไรกับมันได้แต่ร่างกายของเราก็ค่อยๆเสื่อมลงไป นับตั้งแต่วันเกิดมาจากท้องแม่มันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆช่วงแรกๆมันก็จะเจริญเติบโตช่วงที่เจริญเติบโตนี้เราชอบกันเพราะว่าเราจะได้ได้ร่างกายที่มาทําประโยชน์ให้กับเราแต่พอถึงขั้นที่มันเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มันก็จะเริ่มมีการเสื่อมลงมีกะการชราภาพลง<ม>แก่ลงไปเราก็จะไม่ชอบแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้<ม>เราไม่มีใครที่จะมาห้ามความแก่ได้ไม่มีใครที่จะมาห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้และในที่สุดก็ไม่มีใครจะมาห้ามไม่ให้มันตายได้ นี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดอายุเวลามันสิ้นสุดลงเวลามันหมดอายุนี่มันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจ ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอะไรบ้างที่จะให้ความสุขกับเราแบบไม่เสื่อมแบบไม่ทุกข์บ้างถ้าเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟังว่า ความสุขที่ไม่เสื่อมไม่ทุกข์ก็คือความสุขของใจนี่เองความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเนี่ยอันนี้แหละเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมเป็นความสุขที่ไม่ทุกข์นะวิธีที่จะทำให้เราได้ความสุขแบบนี้ก็เกิดจากการทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำนั่นเอง พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบใหม่แบบที่ไม่ทุกแบบที่ไม่เสื่อมเราก็ต้องเลิกหาความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่าที่เราใช้เงินทองไปซื้อกันไปหากันทุกวันนี้พอมีเงินมีทองเราก็เอาเงินไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเวลาเราซื้อสิ่งที่เราอยากได้เราก็เกิดความสุขขึ้นมา เวลาเราอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เอาเงินนี้ไปพาเราไปเวลาไปเราก็ได้ความสุขแต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมใีวันหมดต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บก็จะไม่สามารถใช้เงินทองไปซื้อความสุขเหล่านี้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้เราเลิกการหาความสุขแบบนี้ถ้าเรายังใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขเหล่านี้ให้เปลี่ยนการใช้เง mm ินทองมาซื้อความสุขแบบที่ไม่เสื่อมที่ที่ดีกว่า mm hmm. ก็คือแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆที่เราอยากได้เอาเงินไปทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้ จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมากกว่าความสุขที่เราได้จากการไปซื้อของหรือไปเที่ยวการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดนะเวลาที่เราไปเที่ยวเวลาที่เราซื้อของที่เราอยากซื้ออยากได้นี่มันจะทำให้เราติดจะทำให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวเวลาไม่ได้ซื้อของนี้จะรู้สึกไม่มีความสุขมันก็จะทำให้เราต้องคอยดิ้นหาเงินหาทองเพื่อมเอามาใช้กับความอยากของเราเหมือนกับซื้อยาเสพติดแตซื้อสิ่งเสพติดซื้อเครื่องเดิมเช่นแอลโกอฮอล์ซื้อบุหรี่ พอซื้อมาแล้วมันจะติดมันจะต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆแต่มันจะต้องเมีอวันสิ้นสุดลงไม่วันใดวันหนึ่งนา่งกายก็อาจจะไม่สามารถที่จะเสพสิ่งเหล่านี้ได้หรือเงินทองไม่พอที่จะซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเสพได้ถ้าถึงเวลานั้นเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ไม่สบายใจกัน มีความทุกข์ทรมานใจกันเหมือนคนติดยาเสพติดเนาะแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านี้เอาไปทําบุญทําทานค่ะมันจะไม่มีโทษตามมาเพราะการเอาเงินไปทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนกับการไปซื้ออาหารซื้ออาหารให้กับจิตใจบุญนี่แหละคืออาหารของจิตใจเหมือนกับอาหารของร่างกายะ อาหารของร่างกายนี้เรารับประทานแล้วมันทำให้ร่างกายแล้วอิ่มทำให้ร่างกายเราสุขไม่เหมือนกับยาเสพติดที่เสพแล้วมันไม่ได้ทำให้ร่างกายอิ่มทำให้ร่างกายสุขแต่จะทำให้ร่างกายทุกทำให้ร่างกายหิวนี่คือข้อที่หนึ่งของการที่เราจะเปลี่ยนการหาความสุข ความสุขที่มีความทุกข์ความสุขที่จะต้องเสื่อมให้เปลี่ยนมาหาความสุขที่จะไม่ทุกข์ที่จะไม่เสื่อมด้วยการหยุดการหาความสุขถ้าเราใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่ไม่มีโทษก็เอาไปทำบุญทำทานถ้าเรา ไม่มีเงินที่จะทำบุญทาทานก็ไม่ต้องทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อข้าวซื้อของก็ให้เราหยุดเสียเท่านั้นเองหยุดการหาความสุขแบบนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขแบบใหม่ความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาหากันคือความสุขจากการมาทาใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบเราก็ต้องมีเวลาว่างมีเวลาที่จะไปอยู่ตามลำพังแล้วก็ไปควบคุมจิตใจให้จิตใจหยุดคิดปรุงแต่งหยุดความอยากต่างๆถ้าเรายังหาเงินยังใช้เงินอยู่เราจะไม่มีเวลาเราก็จะติดอยู่ในวงจรของการหาเงิน หาเงินมาเพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆพอเงินหมดก็ต้องกลับไปหางานใหม่ทํางานใหม่หาเงินใหม่ได้เงินมาก็เอามาใช้มันก็จะติดอยู่จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขแบบใหม่การที่จะหาความสุขแบบใหม่นี้เราต้องมีเวลาให้กับการมาปฏิบัติธรรมนั่นเอง การปฏิบัติธรรมก็เป็นการมาสร้างความสุขแบบใหม่การมาทําใจให้สงบเราต้องใช้เวลามากการที่จะควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบได้นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายๆไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าจะทําปุ๊บจะได้ปั๊บเพราะใจนี้มันไม่เคยหยุดคิดเลยมันเคยคิดมาเป็นเวลาแสนแสนล้านปีไปแล้ว มันไม่มีวันหยุดคิดคใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนร่างร่างกายแล้วลทุกครั้งที่ได้ร่างกายมามันก็จะคิดแล้วก็จะใช้ร่างกายพาไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา อย่างนั้นเวลาที่จะมาฝึกจิตเพื่อให้มันหยุดคิดนี้มันจึงเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ก็ไม่เป็นของที่สุดวิสัยไม่เหนือความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นผู้ที่ต้องการสร้างความสงบต้องการหยุดความคิดของใจนี้จะต้องมีความเพียรพยายาม อย่างต่อเนื่องต้องทำอยู่เรื่อยต้องพยายามปฏิบัติอยู่เรื่อยแล้วก็อย่าไปหวังผลแบบเหมือนกับการใช้เงินการใช้เงินนี่ได้ผลรวดเร็วทันใจเหมือนฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพอไปถึงที่ร้านฟาสต์ฟู้ดสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยแต่ถ้าจะกินอาหารดีๆตามร้านอาหารฝรั่งเศสนี่ต้องไปนั่งรอ กว่าเชฟกว่าจะผลิตอาหารออกมาให้กินได้แต่จะเป็นอาหารที่ดีกว่าฉันใดความสุขที่เราจะได้จากความสงบนี้จะต้องใช้เวลามากถ้าเราไม่มีเวลามาให้กับการควบคุมใจควบคุมความคิดเราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้เลย ดังนั้นเราต้องใจเย็นๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆไม่ใช่มาอยู่วัดสามวันห้าวันก็หวังว่าจะได้ผลเลยอันนี้จะผิดหวังแล้วจะท้อแท้เบื่อหน่ายได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเหมือนการก่อก่อสร้างบ้านนี้ไม่ใช่จะสร้างในวันเดียวเสร็จนะ ต้องใช้เวล า, าต้องมีอุปกรณ์ต้องมีของที่จะต้องมาก่อมาสร้างมาประกอบกันให้เป็นตัวบ้านขึ้นมาฉันใดการสร้างเรือนใจคือสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจก็จะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามากและนานพอสมควรดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง อย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็ยังต้องบวชถึงหกปีด้วยกันกว่าจะได้ถึงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้แต่พอที่หลังจากนั้นแล้วเวลาพระพุทธเจ้าไปสอนนี้คนบางคนนี้สามารถเข้าถึงความสุขความสงบได้แล้วง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่า รู้ทางแล้วรู้วิธีแล้วมีคนบอกวิธีคือพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้าเองยังต้องคาทางอยู่ยังต้องลองผิดลองถูกอยู่เลยต้องใช้เวลานานแต่พอได้ยินได้ฟังคาสั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าแถ้านำเอาไปปฏิบัติตามได้บางคนก็เจดวันก็สามารถเข้าถึงความสมบได้ บางคนก็ช้าหน่อยเจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่พระพุทธเจ้ารับประกันว่าไม่เกินเจ็ดปีถ้ามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะเข้าถึงความสุขอันนี้ได้ฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องหยุดการหาความสุขแบบเก่าคอยหาความสุขด้วยการใช้เงินทอง ไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของไปทำอะไรต่างๆเราต้องเลิกมันถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่มีกำลังใจที่จะสู้เราก็อย่าไปมีเงินเอาเงินที่เรามีนี้ไปทาบุญทำทานให้มันหมดมันจะได้ไม่มีเครื่องมือที่จะมาให้เราไปใช้เงินทองเพื่อหาความสุขแล้วมันจะบังคับให้เราต้องมาหา ค, ความสุข จากการปฏิบัติธรรมจากการมาทำจิตใจให้สงบนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจเราได้เงินทางที่เราไม่อยู่ถ้าเรายังอยากจะเก็บไว้เพื่อใช้ในสิ่งที่จําเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เพื่อความอยากเราก็เก็บไว้ได้สมัยนี้มีธนาคารมีอะไรเราก็ฝากมันไว้เก็บไว้สำหรับเพื่อจะต้องใช้กับ สิ่งที่จำเป็นในอนาคตเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาพยาบาลหรือที่อยู่อาศัยต้องซ่อมแซมหรือต้องอะไรบางทีรถหลงทางมา ม, มาผิดที่ ไม่ทราบใครขอน้ําพระขอน้ำหรือเปล่ารถบรรทุกน้ําเวลาขึ้นมาบนเขาอะไรต้องใช้กําลังมากเรื่องเครื่องบนเขานี้ไม่มีน้ําประปานะตามที่พระของพระนี่ต้องใช้รองน้ําฝนเอารองน้ําฝนเก็บใส่แทงเอาไว้เราก็ใช้อย่างประหยัดถ้าใช้มากก็ต้อง ต้องไปหาน้ำมาใส่ใบางทีช่วงที่ไม่มีฝนตกนานๆ น, น, น้ำในแทงก็หมดก็เลยคงต้องไปขอน้ำจากผู้ที่มีรถบรรทุกน้ำให้ส่งน้ำมาให้แต่ตามปกติแล้วเรามักจ ะ, ะใช้น้ำฝนกันใช้กันอย่างประหยัดพออยู่ได้พอ พอใช้สำหรับล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอะไรคือมันเดินได้แต่มันมันลำบากเพราะมันอยู่บนเขาเนยะหนึ่งข้างบนเขาไม่มีแหล่งน้ำถ้าเดินท่าขึ้นมาก็ต้องสูบส่งขึ้นมาต้องใช้ปั๊มใช้อะไร ข้างบนเราก็ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าคือเราต้องการอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่าเราต้องการความสงบถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆมันก็จะมีเสียงดังแบบรถเนี่ยเราต้องมีปัญหาต้องคอยมาซ่อมมาแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆเราเลย ใช้แบบธรรมชาติใช้แบบสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาท่านก็ตักน้ำจากลำธารมาใช้มาอาบอะไรทานองนั้นไฟฟ้าสําหรับพระปฏิบัติก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าเวลาปฏิบัติก็นั่งหลับตานั่งสมาธิเวลาเดินก็ใช้ไฟฉายหรือใช้โคมไฟ สมัยก่อนก็ใช้โคมไฟจุดเทียนไว้ในโคมไฟก็พอมีแสงสว่างให้เห็นทางเดินได้ก็พอยันสำหรับการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะมาปีปัญหาต่อไปเพราะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็เสียได้ ชำรุดได้หายได้เห็นทางการปฏิบัติธรรมนี้จะพยายามที่จะไม่อาศัยอะไรให้มากเกินความจำเป็นให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับตามมีตามเกิดจะได้ไม่เสียเวลามากต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เลยต้องเนี่ยต้อง ต้องอยู่แบบนี้อาจจะลำบากทางร่างกายบ้างแต่ทางจิตใจมันสบายไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาไม่ต้องคอยมาซ่อมมาทำอะไรกันมากอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติจิตนี้ต้องอย่าให้มีงานอย่างอื่นมารบกวนถ้ามีงานมารบกวนมันจะทำลายการปฏิบัติ เพราการปฏิบัตินี้ต้องการหยุดความคิดแต่พอมีเรื่องนี้นเรื่องนี้มาต้องใช้ความคิดทันทีต้องใช้ความคิดมาแก้ปัญหาต่างๆท่อแตกต้องไปหาท่อมาซ่อมมาอะไรไฟดับปั๊มเสียมันจะมีเรื่องให้ต้องคอยมาคิดมายุ่งอยู่เรื่อยๆนั้นปฏิบัตินี้ไม่ต้องการที่จะยุ่งกับเรื่องอะไร ยุ่งให้น้อยที่สุดยุ่งเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเองเราจรึงไม่ต้องการมีอะไรเราต้องการที่สงบแล้วก็ต้องการมีเวลาที่จะมาคอยควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้ให้จิตนิ่งสงบให้ได้เพราะความสุขของจิตอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ความนิ่งสงบการหยุดความคิดต่างๆ อ, อันนี้คือ แนวทางของการหาความสุขในรูปแบบใหม่เบื้องต้นก็ให้หยุดใช้เงินหยุดหาเงินให้มีเงินพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถ้าไปบวชได้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าไปบวชนี่ก็มีผู้มีจิตศรัทธาจะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยสี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินไม่ต้องเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของให้เสียเวลา ถึเวลาก็มีอาหารให้รับประทานเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างไปปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต้องปฏิบัติแบบเนี้ยทั้งวันทั้งคืนคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดเนี่ยนี่คือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมาธิเกิดการทําใจให้นิ่งสงบใจจะนิ่งสงบได้นี้ต้องหยุดความคิดต่างๆ พอหยุดความคิดแล้วทีนี้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะเวลาอยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาเพราะต้องมาดูแลร่างกายต้องมาทำภารกิจเกี่ยวกับร่างกายต้องมาเดินต้องมานั่งเปลี่ยนเริยาบทต้องมาทำความสะอาด สถานที่ต้องมารับประทานอาหารอะไรต่างๆก็จะอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาพอออกจากสมาธิมาความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็จะหายไปถ้าอยากจะไม่ให้มันหายก็มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือคอยหยุดความคิดต่อไปพอออกมาจากสมาธิก็อย่าปล่อยให้มันคิด ทำงานทำอะไรก็ทำไปอย่าแต่อย่าให้มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็จะยังสงบได้แต่มันต้องคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยวิธีที่สองก็คือสอนใจให้ให้อย่าไปคิดในทางที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาการคิดนี้เราคิดได้สองทางด้วยกันคิดแล้วทำให้ใจไม่สงบกับคิดแล้วทำให้ใจสงบ วิธีที่จะทำให้ใจเราคิดแล้วไม่สงบก็คือคิดแล้วทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาพอคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้มาถ้าคิดแบบนี้มันก็จะทำให้ใจเราไม่สงบใจเราต้องดิ้นไปหาสิ่งที่เราอยากได้้เราต้องคิดให้มันไม่อยากวิธีที่จะคิดให้มันไม่อยากก็ต้องคิดว่า ส, ส, along, สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้เราทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้ไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้มันจะหมดไปพอหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปคอยหามาใหม่อยู่เรื่อย หามาได้กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่เราก็ต้องเด็เดเหน่อยกับการหาอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดอย่างนี้คิดว่าสิ่งต่างๆที่ใจเราอยากได้นั้นมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาพ อ, อพอมันเห็นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามันก็ไม่อยากได้ต่อไปมันก็จะไม่คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้ ไม่อยากไปนู่นมานี่ไม่อยากจะทำนู่นทำนี่มันก็จะสงบมันก็จะอยู่เฉยๆได้อันนี้เรียกว่าขั้นปัญญาขั้นที่สองปัญญานี้ต้องรอให้มีสมาธิก่อนเพราะว่าสมาธินี้เป็นความสงบพอเรามีความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญามารักษามันไม่ให้มันหายไปนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่รู้จะมารักษาอะไร ก็ต้องให้มันมีความสงบก่อนให้มันเห็นความสุขที่ได้จากความสงบว่าเป็นของวิเศษแล้วก็อยากจะรักษาหมือนพออยากจะรักษามันก็จะมาใช้ปัญญามาคอยกาจัดสิ่งที่จะมาคอยทำลายมันสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากสามประการกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหา กามตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ภาวะตัญหาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรืออยากไม่ได้สิ่งอย่างนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้มีของในโลกนี้ที่เราอยากได้ก็มีไม่อยากได้ก็มีเวลาเกิดความอยากทั้งสองนี้มันก็จะทําให้เราใจของเราไม่สงบ เราต้องมองใหเห็นว่าสิ่ง ต, งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมบังคับให้มันให้แต่ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ และจะเป็นความสุขที่ถาวรหลังจากที่เราทำลายตัวที่มาสร้างทาสร้างความไม่สงบให้กับจิตใจหมดไปใจก็จะสงบไปตลอดใจจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกข์อีกต่อไปแล้วใจก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้ว การที่เรายังกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าใจเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังอยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้อยู่พอร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือตายไปใจที่ไม่ตายก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมาทําแบบเดิมเราเคยทาแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแนละ้ว เราเคยมาเกิดแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งละเกิดมาแต่ละครั้งก็ทําแบบเดิมมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราไม่สามารถหาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายหมดสมรรถภาพที่จะ ทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นใจของเราก็จะทุกข์ทรมานจนบางครั้งนี้ไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายกันไป น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้าเราไม่มาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆนลเงินทองที่ไม่ได้ใช้นี้เอาไปทําบุญทําทานเสียเพราะถ้ามันอยู่ใกล้มือเดี๋ยวมันก็อดไม่ได้เอาไปทําบุญทําทานแล้วมันจะเห็นความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําตามความอยากต่างๆนะ ต่อไปถ้ามีเงินมันก็อยากจะทําบุญมากการอยากจะเอามันไปเที่ยวแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ต้องคอยหาเงินหาทองไม่ต้องคอยเอาเงินที่หามาได้ไปใช้กันเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้นี่คือวิธีการที่เราจะมาะให้ความสําคัญกับใจของเราวิธีหาความสุขให้กับใจของเราวิธีกําจัดความทุกข์ ของใจของพวกเรากำจัดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเนการปฏิบัติธรรมก็คือการภาวนาภาวนาก็มีอยู่สองขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นก็ทำใจให้สงบเป็นสมาธิให้เกิดความสุขขึ้นมาก่อนพอได้ความสุขจากความสงบแล้วขั้นที่สองก็ใช้ปัญญาคอยกาจัด สิ่งที่จะมาทำลายความสงบนะพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาบอกใจให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ทุกว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันสุขไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดพอเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิไม่มีอะไรจะมาทำลายความสุขที่เราได้จากความสงบมันก็จะเป็นความสุขที่ถาวรไปต่อไปเมื่อมีความสุขในตัวแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่อีกต่อไป ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่ต้องมาเกิดใหม่แลเพราะพระพุทธเจ้าตายไป 2,500 กว่าปีแต่ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีความสุขเหมือนกับตอนที่ตอนที่ตัดสู้ใหม่ๆตอนที่ได้กำจัดความอยากต่างๆที่มาทำลายความสงบของใจของพระพุทธเจ้าใจนี้ไม่ตายเมื่อสงบแล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติกันเพราะว่าเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ให้มันหมดสิ้นไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะถามปัญหา ใครมีคำถามถ้าอยากจะถามก็ถามได้ในศาลานี้ถ้าต้องการถามก็จะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีใครบนศาลาอยากจะถามทางบ้านมีใครถามหรือยังมีคำถามไหมส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวก่อนก่อนจะถามดูดูว่าคนที่เข้ามาวันนี้มีทักเท่าไหร่มีจานวนหรือยัง วันนี้ทางเฟซบุ๊เข้ามาสามร้อยสามสิบสองร้อยสิบหวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังข้างบนนี้ยี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับวันนี้ฝนตกคนเลยน้อยนะยวันนี้ถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย <c oughs> คำถามจากคุณปอ ทำบุญกับพระธุดงที่เดินอยู่ข้างทางโดยไม่ได้ไปที่วัดจะได้บุญไหมครับก็อย่างที่บอกครับบุญเนี่ยมันทํากับใครก็ได้ทั้งนั้นนทําที่ไหนก็ได้เพราะบุญนี้เกิดจากการเสียสละของเราการทําบุญนี้เป็นการเสียสละเงินทองประโยชน์สุขของเราเราแบ่งความสุขให้กับผู้อื่นพอเราให้ความสุขกับผู้อื่น เราก็เกิดความสุขขึ้นมาที่ใจเราความสุขใจเรานี่เรียกว่าบุญแต่ต้องอธิบายก่อนว่าการการทำบุญนี้มีบุญอยู่สองประเภทที่เราอาจจะได้รับประเภทที่หนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปบุญที่สองก็คือบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทำบุญด้วยเช่นเราทำบุญกับพระ ถ้าเราได้มีโอกาสฟังธรรมเราก็จะได้ธรรมะจากท่านการได้ธรรมะก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอันนี้แต่ถ้าทาบุญแล้วไม่ได้คุยกันท่านไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้พูดธรรมะให้ก็ได้บุญอันเดียวคือบุญที่เกิดจากการเสียสละเท่าของเงินทองไปแต่ไม่ได้บุญจากบุคคลที่เราทำบุญด้วยคือไม่ได้ธรรมะยังมีสอง การทำบุญนี้จะมีผลอยู่สองสองข้อด้วยกันข้อหนึ่งคือบุญที่เราได้จากการเสียสละทรัพย์เข้าของเงินทองของเราไปไม่ว่าใครจะรับได้เหมือนกันให้ให้ใครก็ได้ถ้าปริมาณเท่ากันบุญก็จะเท่ากันเอาเงินร้อยบาทไปปล่อยนกปล่อยปลาเอาเงินร้อยบาทไปใส่บาตรเอาเงินร้อยบาทไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ได้บุญเท่ากันได้ความ สุขใจคือที่เกิดจากการเสีสละเท่ากันแต่ธรรมะที่เราจะได้นี้ต้องอยู่ที่บุคคลที่เราไปทำเมื่อทำแล้วเขาพูดธรรมะให้เราฟังเราก็จะได้ธรรมะธรรมะนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขได้เวลาเราทุกข์แล้วฟังธรรมขึ้นมาธรรมที่เราฟังมาดับความทุกข์ของเรานีก็ทำให้ใจเราเกิดความสุขขึ้นมาได้ อันนี้ต้องอยู่ที่บุคคลที่เราไปทำด้วยว่าเราได้คุยกับเขาหรือเปล่าเขาได้พูดธรรมะให้เราฟังหรือเปล่าเขามาทำให้เราใจเรามีความสุขจากการได้ฟังธรรมจากเขาหรือเปล่าอันนี้ถึงจะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอันนี้เราจึงต้องเลือกถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะถ้าเราไปทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะเขาก็จะไม่พูดธรรมะให้เราฟัง หรือถ้าเร า, เาไปทําบุญแล้วแต่เราไม่ไปฟังธรรมถึงแม้จะไปฟังไปทําบุญกับคนที่มีธรรมะมากๆแต่เราไม่ฟังธรรมเราก็ไม่ได้ธรรมะอยู่ดีฉอเช้นบางคนไปวดัดไปสายบาจก็กลับบ้านนไม่รอฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้ธรรมะได้บุญครึ่งเดียวได้บุญส่วนเดียวคือบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเฉะนั้นลองให้เข้าใจนะ พอพูดแล้วเดี๋ยวคนมักจะมามาว่าทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่าเขามักจะได้ยินว่าถ้าทำบุญกับคนนี้จะมีผลต่างกันทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้จะได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระธรรมดาอันนี้เป็นบุญที่ได้จากทได้การจากการได้รับธรรมะแต่บุญที่จะเกิดจากการเสียสละเงินร้อยบาทนี้เสียสละให้ขาร้อยบาทก็ได้เท่ากัน ให้พระพุทธเจ้าให้นกให้ปลามันก็ได้ร้อยบาทมันก็เสียสละร้อยบาทมันก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากันแต่ถ้าอยากจะได้บุญอีกแบบหนึ่งก็ต้องฟังธรรมฟังธรรมก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมคนที่มีธรรมมากก็จะได้ธรรมมากคนที่มีธรรมน้อยก็จะได้ธรรมน้อยนั่นเองเท่านั้นแหละยิ้นเวลาถามคาถามเวลาตอบ แล้วคนไม่เข้าใจเพราะเคยได้ยินว่าต้องเลือกคนต้องเลือกพระถึงจะได้บุญเยอะความจริงถ้าเราเลือกแล้วแต่เราไม่ฟังทำ ม, มันก็ไม่ได้เราใส่บาสเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไม่รอฟังธรรมก่อนก็ไม่ได้ทําอีกข้อไม่ได้ประโยชน์อีกข้อหนึ่งคือธรรมะได้ข้อเดียวคือการเสียสละแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองไป คำถามต่อไปจากคุณโบบุญเป็นของทิพย์หรือไม่เจ้าคะนั่นแหละมันก็เป็นของทิพย์หรือว่าเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกในใจนั่นเองบุญก็คือความสุขใจบาปก็คือความทุกข์ใจร้อนใจคำถามต่อไปจากคุณน้ำจิตเราจะมีวิธีคิดหรือทำอย่างไรให้มั่นใจและมุ่งมั่นทำในการปฏิบัติ ทำในระดับที่สูงขึ้นทั้งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจและไม่พร้อมเลยอ๋อเราก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นเนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ยังจะลังเลสงสัยอยู่เหมือนกับการที่เราจะซื้อของมาใช้ถ้าเราไม่ซื้อมาใช้เราก็จะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนีย่ยยนเราก็ต้องยอมเสี่ยงยอมเลาะยอมขาดทุนยอมเสียยอมถูกหลอกดูถ้าไม่ซื้อมาใช้ดูมันก็จะไม่รู้ว่า สินค้าที่เขาโฆษณานี้ดีไม่ดีอย่างไรพอเราซื้อมาแล้วทดลองใช้ดูถ้าดีทีนี้เราก็รู้ว่ามันดีเนาะทีนี้เราก็จะมีความมั่นใจเราก็อยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราซื้อมาแล้วรู้ว่ามันไม่ดีใช้ไม่ได้ก็จะได้ไม่ไปซื้อมันอีกต่อไปองั้นเราต้องเราต้องทดลองดูถ้าไม่ทดลองเราจะไม่รู้ คำถามต่อไปจากคุณพีโกแต่ละวันข้อห้ามในศีลห้าไม่ได้กระทำถือว่าได้บุญแล้วใช่ไหมครับทั้งที่ไม่ได้อรนาศินถ้าเราไม่ทำบาปก็เราก็ได้บุญนะคือใจเราไม่ทุก์กับการทำบาปนั่นเองเวลาทำบาปใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนพอเราไม่ทำความทุกข์ร้อนของใจก็หายไปความเย็นใจก็กลับเข้ามา ความเย็นใจก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยากจะได้ให้มันสุขใจก็ต้องทำบุญถึงจะได้ความสุขใจการไม่ทำบาปไม่เป็นเพียงการทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเท่านั้นเองแต่ยังไม่สุขยังไม่อิ่มถ้าอยากจะสุขให้อิ่มนี้ต้องทำบุญด้วยคำถามต่อไปจากคุณแมนการภาวนาแบบพิจารณา คือเมื่อเกิดความนึกคิดขึ้นมาวิตกขึ้นมาแล้วก็ตามรู้วิจารณ์ต่อเช่นเมื่อนึกว่าจะทำชั่วอะไรแล้วรู้แล้วก็วิจารณ์บอกกับจิตตัวเองว่าอย่าอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ครับและต่อเนื่องกันคือจิตสังขาร น, นั้นคือสติรู้จิตอย่างเดียวเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครับซึ่งปฏิบัติแล้วช่วงนั้นผ่านมาก็ยังไม่ถึงความสงบควรทาอย่างไรครับปฏิบัติไม่ถูกครับ ไม่ควรจะไปวิาพากวิจารณ์ความคิดต่างๆที่โผล่ขึ้นมาให้ใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจเช่นถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปพอเราไปวิาพากวิจารณ์เราก็หยุดพุทโธเราก็เริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมายันอย่าไปคิดปรุงแต่งกับความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาเราทำภาวนาให้เราอยู่กับเครื่องที่จะหยุดความคิด ก็คือพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูกับลมหายใจไปอย่างเดียวอย่าไปวิาพากวิจารณ์สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธินั่นน่ะนั่งวิาพากวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่โผล่ขึ้นมาให้วิาพากวิจารณ์ไปเรื่อยๆต้องอย่าไปวิาพากวิจารณ์ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้คิด ถ้าเราใช้พุทธโธก็พุทธโธไปมีความคิดดีไม่ดีโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีความรู้สึกดีไม่ดีโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจตอนเริ่มต้นใหม่ๆมันจะมีอาการต่างๆโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราต้องใช้คำบริกรรมพุทธโธนี้หยุดมันถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมไปต่อไปอาการต่างๆความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไป แล้วพอมันหมดไปใจก็สงบนิ่งว่างสบายงัยอย่าไปคิดอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่เวลาคิดเวลานั่งสมาธินี้เวลาหยุดคิดให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจแล้วแต่เราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นก็สำหรับช่วงแรกที่เป็นภาษาไทยนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พร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 ปะรโสยะาสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตระยอสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรมาวทานติอายุวันโนสุขัง Uh, love.